เวลาอย่างเวลาอย่างน้อยจะบรรยายประตรก็คงจะไม่ทันก็คงบรรบรรยายไปเข้าเวลาเล่นกันนะ่ะมาแล้วมคุ้มค่าก็อันุทนาสัตุการในท่านสาุชนทั้งหลายวันนี้ก็ออกอย่าพิเศษ รู้สึกว่าปีที่แล้วก็วันเสาร์จะตรงกับวันข้าวันศาตเหมือนกันแต่ปีที่แล้วดูเหมือนจะมีกิจกรรมไปจนตลอดก็ไม่ได้เจริญกรรมฐานหรือว่าบรรยายพระสูตรแต่ปีนี้ก็คงจะพูดเรื่องพระสูตรสั้นๆ สาริบุตรสูตรในติการนิบาศสังยุตตานิายอังคุตรนิ迦จในใจความโดยสรุปว่าพระพเจ้าปสาริบุตรเข้าไปฝ่าพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็รับสั่งแสดงว่าล ง, งจะแสดงธรรมะโดย ย่อบ้างโดยพิสดารบ้างเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจภาษาริบุตรก็กราบทูลสนองพระพุทธบัญชาว่าเป็นเวลาสมควรแล้วที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมโดยย่อบ้างโดยพิสดารบ้างแต่จากนั้นก็ทรงแสดงถึงหลัก คือสิ่งที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลที่จะนำไปสู่การมีปัญหาหรือการไม่มีปัญหาสงใช้คำว่าอางการมะมังการและมานานุใสมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้ใดและมีในสัพนิบิต คือนิมิตทั้งปวงในภายนอกก็จะเป็นเหตุสร้างปัญหาห น, นาประการแล้วก็ทรงแสดงแนวตรงกันข้ามคือเมื่อขจัดอังการมามังการมานานุใสภายในใจและในนิมิตภายนอกทั้งปวงออกไปได้ เ็จะเป็นข้อปฏิบัติให้รอดจากความทุกข์วนี้เป็นการทรงแสดงโดยสรุปถึงกิเลสซึ่งเป็นมูลรากของปัญหาทั้งปวงก็คือคำว่าอาหังการอหังการก็แปลว่าความรู้สึกว่าเป็นเราหรือเราเป็น เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกซึ่งถือว่าน่าสังเกตนะฮะคือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีลักษณะของอหาังการมีความถือตัวแต่ต้องไม่ได้แลความสําพันแ์กับตัวเองคนเราด้านท่านบอกว่ามันมีสิ่งที่อยู่ภายในใจ ก็คือเรื่องของสติทิฏฐิกับอุเท ท, ทิฏฐิแต่ตรงนี้ที่จริงมันก็เป็นอาการเป็นอาการของของทิฏฐิอีกทีหนึ่งทิฏฐิจริงๆก็คือความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนแล้วก็ยึดมั่นในความเป็นในความมีของเรา ที่ทรงสั่สอนในแนวของวิปัสสนาธรรมทานเนี่ยจะเน้นในตรงนี้อยู่ตลอดเป็นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัว เ, เป็นตนของเราหรือจะแก้ตรงนี้ได้หรือลดตรงนี้ลงไปได้ปัญหาต่งตางๆมันก็ลดได้เพราะจากการรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวเปมีตนเราก็ให้เกิดการให้ความสําคัญแก่ตน ความคิดส่วนใหญ่มานก็มีการปนปลื้มตัวเองเพื่อสนองตอบความต้องการตัวเองโดยอาศัยการให้ความสงคัญแก่ตัวเองคพราลักษณะของอหังการเนี่ยมันก็คืออาการของชิดทิดแต่มันแยกตัวเองออกไปคือมีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราก็เป็นตัวเป็นตน ซึ่งแนวในการปฏิบัติมันจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งที่มันแรงก็ส่งสอนให้ลดละเพื่อจะขจัดความรุนแรงซึ่งบางทางบางคราวเราจะเห็นว่าตัวตายไปโดยโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดมา เพราะอาศัยความเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไม่ยอมถอยไม่ยอมหยุดในจุดนั้ น, นการประพฤติเป็นการกระทาที่รุนแรงแล้วก็สอนให้ลดแต่ระดับหนึ่งเป็นสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของสานึกในความเป็นตนในแง่ของสมมติเนี่ยสรงชายให้เกิดประโยชน์ สำรวนบาลีท่านใช้คํามีคําหนึ่งว่าสัญญาคือจิตสํานึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างน้นแนนๆของอัตตันยุตาในสรรพุทธธรรมหมายความมารู้จักตนเราเป็นอย่างนั้นมีฐานะมีหนา้าที่มีอาชีพมีข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามฐานะที่เราเป็น อันอย่างอย่างความเป็นพุทธบริษัทของเราที่พระเจ้าทรงเรียกเองอนะฮะที่ทรงเรียกเองเนี่ยที่นักบวชจะเรียกชื่อหลายชื่อเรียกฝันปชิตเรียกสมณะเรียกภิกษุเรียกสมมเณรธรรมเณรีนรางสุขมานาอะไรต่อะไรเนี่ยคือชื่อแต่ละชื่อเนี่ยที่จริงมันบ่งบอกภารกิจ ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่สถานะของตัวเองเจนภิกษุก็หมายถึงผู้เห็นภัยในทังสารวัฏหมายความว่าจะต้องเป็นผู้ตื่นตัวตื่นภัยตื่นอันตรายพยายามที่จะหนีภัยอันตรายเหล่านั้นโดยการพยายามประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสให้ลดน้อยถอยลงไป แล้วเขชื่อว่าผู้เที่ยวไปเพื่อก้อนข่าคือการเที่ยวพิการจารวินธบาตตอนเช้าบรรพชิตแปลว่าผู้เว้นบาปสมณะแปลผู้สืงบุญจากบาปหมายความมาแต่ละอย่างก็ต้องทําให้ได้ตามนั้น อ, อย่างความเป็นอุบาสกบาสิกาแปลผู้ใกล้ชิดประทันาต์ใจเต็มที่นะฮะผู้นั่งใกล้ประรันาต์ใจ ก็คือคือผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ทรงแสดงเกณฑ์ความเป็นวัสสกวาสิการะดับมาตรฐานไว้เรียกว่าอุบาสกาลัตนาะอุบาสิกา ร, รัตนะแปลว่าวัสสกแก้ววาสิกาแก้วเป็นระดับมาตรฐานถึงหมายความว่าจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติเพื่ออยู่ในจุดนี้ เรจะเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคือหนึ่งต้องมีศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระคุณของพระพุทธเจ้าเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องการทษ่ัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนแต่เรื่องกรรมมันมีความสลับซับซ้อนบางอย่างเราก็วินิจฉัยเองไม่ได้ตัดสินใจเองไม่ได้เราก็ใช้ความเชื่อ ต่อปัญญาการศัตรูของพระพุทธเจ้าคือถ้าเราดยดีแล้ววันีจริงมันก็เน้นเฉพาะตรงนี้อีก4ีข้อเป็นบทพิสูจน์ถึงความมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาต น, นั้นเองซึ่งกเนีลองลองสังเกตว่าธรรมนั้นจะเป็นธรรมนหลักกับอุปการะ หมายความว่าตัวตัวหลักแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ั้งเถียคล้ายๆกับบา ร, รมีส0บเนี่ยบา ร, รมีสิบจริงๆมันไม่ถึงส0บอ่ะมันมีทานศีลเนคขมะคือตัวหลักมันก็มีแค่สีข้อเท่านั้นเองนอกนั้นีกหกข้อก็เรียกว่าอุปการะหมายความว่าในการให้ทานก็ต้องมีครบทั้งหกข้อนั้นจึงจะให้ได้ดีกรรักษาศีลก็ต้องมีอุปการะครบทั้งหกข้อ เขเรียกว่าธรรมะที่เป็นหลักกับที่เป็นอุปการะสำนวนอย่างหนึ่งที่เราได้ยินไปบ่อยเนี่คือเหตุปัจจัยเพราะตัวเหตุนั้นคือตัวหลักตัวปัจจัยนั้นเป็นตัวหนุนเฉยๆแต่มันจะเกิดโดยวิถีเขาหมันพอเมื่อจิตใจเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระองค์คือมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเอง จะเราเคารพนับถือศรัทธาในพ่อแม่ของเราก็เชื่อพ่อแม่ของเรานั้นนั้นมันมาโดยธรรมชาติก็เมันทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อก็แสดงว่าเราไม่นับถือจริงเวอกลับไปกลับไปไปปฏิเสธอีกทีหนึ่งหมายความว่าเมื่อตรงนี้ทำไม่ได้ก็แสดงว่าตรงนี้ก็คือไม่จริงมันก็เป็นแนวของเหตุของปัจจัยที่ไปยันกันข้อต่อไปก็คือการเป็นผู้มีศีท จะหมายความว่าศีนั้นเป็นบทบัญญัติที่พระเจ้าทรงแสดงและทรงรับรองผลว่าเป็นสิ่งที่อานวยประโยชน์ให้คนบรรุสุคติสมบูรณ์ด้วยภพกสมบัติจนถึงเข้าถึงนิพพานได้ก็เพราะศีนเราก็เชื่อแล้วก็สมาทานศีนรักษาศีลปฏิบัติในศีลแล้วต่อไปนะก็สะท้อนเรื่องความเชื่อในเรื่องกรรม คืไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวต่างๆแต่เชื่อในกฎของกรรมถึงอยู่ที่เจตจำนงการกระทำของเราทําดีเราก็ได้ดีทําไม่ดีเราก็ได้ไม่ดีผลเป็นความสุขความทุกข์นั้นเมื่อเกิดขึ้นแก่เราก็แสดงว่าเหตุมันมาจากเราเราจะแก้ไขเราก็แก้ไขที่เราไม่ด้วยแก้ไขที่ตัวนอกแล้วก็เวลาจะ แสวงหาเขตบุญเนื่องจากเราเชื่อในพระพุทธเจ้าเราเชื่อในประธรรมเราเชื่อในคุณของพระสงค์ที่เราสวดสรเสริญว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเพราะงั้นเมื่อจะทําบุญเราก็ทําบุญแก่ท่านที่ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วจะไม่ดิรนขวนขวายไปหากลุ่มบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้เราไม่เชื่อว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรม เพราะความเป็นอุบาสกความเป็นบาสิกาที่เป็นเกณฑ์จริงๆก็อยู่ที่ศรัทธานอกั่นเป็นตัวพิสูจน์พิสูจน์ว่าเรามีศรัทธาจริงหรือไม่ถ้าเรามีศรัทธาจริงอาการเหล่านี้ก็จะปรากฏต่อเนื่องกันไปลักษณะของอาหางการจึงถึงจุดหนึ่งจึงกลายเป็นก็เรียกว่าสัญญาคือความสานึก ก็เป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่าละยาก น, นะะเพราะมันเป็นโคตรเป็นรากงามกิเลสมาจากวิชาแต่ระดับความรุนแรงนั้นทันละได้ตั้งแต่เป็นประส์ตบันให้ลองสังเกตว่าหลักคำสอนเนี่ยยอมรับอัตตาในแง่ที่เป็นสมมุติ ยอมรับความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาในแง่ที่สมมตุติแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราที่เราเป็นให้ดีรนดับที่สองก็ยอมรับมาตตาของคนอื่นเรื่อยๆไปนะฮะก็เป็นสเปสตาแนววิปัสสนานั้นจะเป็นการสอนในแนวที่ไม่มีตัวตนคือไม่มีทั้งเราแล้วก็ไม่มีทั้งของเราซึ่งก็หมายความว่าไม่มีเขาด้วย เป็นศักแต่การเกาะภลุ่มของขันธาตุอยายตนะมาผสมกันจุดสูงสุดจึงไม่มีเพราะนั้นความจริงที่แท้จริงแลวมันไม่มีอาตาัตราอางการจึงเกิดขึ้นกับเรื่องของอวิชชาคือความหลง ท, งทางงที่เรารู้ว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแม้แต่ชื่อนะฮะที่สมมติตั้งกันขึ้น เราถูกสมมติได้ชื่ออย่า ง, งานั้นแล้วใครไปว่าคนชื่ออย่างนั้นเราก็โกรธอ่ะเพราะอะไรเพราะเราไปรู้สึกว่าเราเป็นอย่า ง, งานั้นที่จริงชื่อมก็สมมุติเอาตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรแต่ะไทั้งหลายเนี่ก็สมมุติเอาเพราะในแนวของการปฏิบัติก็คือว่าในแง่ของความสมมุติก็ปฏิบัติให้เหมาะสมในระดับของสมมุติ แล้วก็ยอมรับสมมติของคนอื่นด้วยในขณะเดียวกันปัญญาจะต้องมีคุ้มครองใจในระดับที่เรียกว่าเอาก็จริงมันก็ไม่มีตัวมีตนอะไรเพราะนั่นพออะไรมันเป็นไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็ยอมรับความจริงมามันก็เป็นข้ามันอย่างนั้นเองเพราะมันไม่เป็นทังของเราแล้วก็ไม่เป็นทางเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเรา ก็ต่อไปทงใช้ัำว่ามา ม, ามามังการมามังการก็คืออาการที่จิตไปยึดถือว่าเป็นของเราเป็นกระแสวความคิดในสายของตัณหาซึ่งเกิดขึ้นมาจากการไม่รู้เท่าทันทั้งความจริงมองสิ่งทั้งหลายในแง่เป็นของเชื่องแท้แน่นอนนะฮะมอง มองเห็นว่าใล้ายๆจะไม่แปรผันจะคงเป็นอยู่อย่างนั้นหรือตลอดไปมันจิตใจจึงไปกำหนดในสิ่งที่เราชอบว่าเป็นของเราซึ่งในทางของการปฏิบัติระดับศีลธรรมจรญยากับระดับที่เป็นอุดมการณ์จริงๆมันก็มีอยู่ทั้งสองระดับ จะเห็นว่าดับถินรำจัญญานั้นคําว่ามัมังการก็คงต้องมีเพราะคนเราจะมีชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่แต่น้อเราก็ต้องมีปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตแต่จะทรงสอนในแนวของการสแสวงหาการครอบครองการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ย้ายธรรมไปด้วยอํานาจของกิเลสคื อ, อย้ายเกิดด้วยบาตร เพราะอไรเพราะประโยชน์ใช้สอยปัจจัยสีนั้นเป็นช่วงสั้นๆแต่การต้องรับผลบาปนั้นเป็นช่วงยาวที่ส่งใช้กรรมบาปมันจะตามแผดเผาในภายหลังแนวการปฏิบัติจึงให้เกิดประโยชน์สุขในปัจจุบันแล้วก็ไม่สร้างปัญหาในอนาคตหม้ความให้เกิดประโยชน์สุขในอนาคตด้วย มุมมองแนวพระพุทธศาสนาพนระพุทธเจ้ญญาจะสอนไว้ทั้งสองช่วงที่จึงสามช่วงอ่นนะฮะช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เป็นปัจจุบันให้เกิดการอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันแล้วก็ผลแห่งความดีงามเหล่านั้นอำนวยประโยชน์สุขให้ในชาติหน้าหรือในอนาคต แล้วก็พูดในแนวที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคนิพพานหมายความว่าทวารศาสนาบารมีเรายัางไม่มากพอมัก็เอาแค่อุปนิสัยปัจจัยไปก่อนเพราะแนวข่าวม่งมั่งมังการเราต้องมีอ่ะคือของเราเนี่ยเราต้องมีแต่ว่ามีอย่างรู้เท่าทันในช่วงสิ่งที่ไม่มีวิญญาณหรือพวกทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ ทรงสอนในรูปองการสแสวงหาให้ได้มาในทางที่ชอบทาโดยตีกรอบไว้ที่สามาชีพคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ ท, ทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนของการสแสวงหานั้นไม่แปดเบือนโดยปราศไม่เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครๆ ดึงก็มีความละเมียดละไมในเรื่องเหล่านี้บางคลีเมื่อคืนเนี่ยมีทางสถานีวิทยุอะไรก็โทรมาสอบถามเรื่องปัญหาเรื่งสี่ห้าคนก็ตีความแรงเกินไปอนะฮะหมายความว่าไอ้อยู่ในกรอบของความถูกต้องตามกฎหมายความถูกต้องศีลธรรมแต่ระดับศีลนี่จริงมันก็ใกล้เคียงกฎหมายหมายความว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายก็คือไม่ผิดศีลธรรม เป็นการเลี้ยงชีพไปทางที่ชอบแล้วก็ในการบริโภคใช้สอยก็ไม่บริโภคโดยตันหาจงใช้ก็วาไม่บริโภคโดยตันหาหมายความไม่ใช่มุ่งตอบสนองความอยากที่บางเกิดขึ้นบางครั้งมันเป็นอาหารใจที่บริโภคส่วนใหญ่มันเป็นอาหารใจอาหารสังคมอาหารเกียรติยศอาหารชื่อเสียงอาหารการโอ้อวด ซึ่งก็นำความเดือดร้อนมาแต่ถ้าเป็นการบริโภคตามแนวที่ทรงวางเอาไว้ทรงใช้คาว่าอาริยวงศ์คือวงของพระอริยะหมายความการมองปัญหาเรื่องปัจจัยสี่ของพระยะท่านก็มองอย่างนั้นเพียงแต่ให้สำเร็จประโยชน์ในการบริโภคใช้สอยปัจจัยสีก็ถือว่าใช้ได้หรือไม่ยอมเป็นธาตุปัจจัยสี ในการเก็บสะสมทรงสอนในแนวการเก็บสะสมแต่จะเก็บสะสมทั้งสองแนวแนวหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตแล้วก็เพื่อเป็นโมโดกให้เกิลูกหลานทรงสอนในานาในแนวการเก็บสะสมตรงอุปมาณว่ามันเหมือนกับการสะสมกรจอมปลวกคือสะสมไปเรื่อย แล่ในสุดมันจะมั่นคงแข็งแรงเรียกว่าตระกูลเองก็จะมีหลักฐานมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสั่งสอนในรูปของบุญญาณิชิสะสมเมือ่อการไดสะสมในรูปของบุญญาิชิตแปวคุ้มทรัพย์คือบุญ หมายความว่าแปรตัวทรัพย์ซึ่งเป็นโลปิยะวัตถุที่จะต้องใช้อาศัยในโลกนี้ให้เป็นสิ่งที่อาศัยได้ในโลกหน้าในขณะเดียวกันในปัจจุบันเนี่ยก็อาศัยได้นะฮะไม่ได้สร้างปัญหาเดือดร้อนซึ่งแนวเวลาสั่งสอนจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ค่อยเน้นที่ทานทั่วๆไปนะฮะ แต่ว่าเมืองเมืองไทยเราเรามาเน้นมากไปหน่อยในวินัยบัญญัติเนี่ยกําหนดไว้เลยเช่นสมมุติสกุลเนี่ยเป็นพระยาบุคพลระดับพระโสดาบันเนี่ยบางทีท่านยากจนเน่ยพระโสดาบันเนี่ยนะแต่ท่านศรัทธามากเพราะเห็นพระและท่านอยากทําบุญพหะเจ้าทรงกําหนดเป็นวินัยไว้เลยห้ามพระไปบิณฑบาตบ้านพระโสดาบันที่ยากจน ตัวท่านจะทำบุญมากและท่านจะเดือดร้อนอเว้นไว้แต่ท่านนิมนต์เพื่อจะช่วยรักษาอ่การอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันไว้ให้ท่านด้วยนั้ก็เป็นเน้นการทำบุญในส่วนอื่นซึ่งซึ่งไม่เดือดร้อนคือไม่กระทบกระทั่งในด้านภกศภปกสมบัติมากเกินไป ในรูปของบุญยนณทธินั้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในพวกภคคาถายาวนาะนโมทนาเช่นวัดวรนี้ก็สิกปีก็สวดครั้งเดียวเวลาเสด็จพระจำเนินถวายผ้าพระกฐินจะมีการโมทนาคาถานี้มันยาวมากแต่กล่าวโดยสรุปก็คือว่าการทำความดีทั้งหลายเนี่ยไม่ได้โจโจงเฉพาะการให้ทาน แต่การประพฤติปฏิบัติที่เป็นการขัดเกลา ว, วกของเรานะฮะคือลดของเราลงไปแต่ที่จริงก็เป็นของเราในชาติต่อไปเพียงแต่ว่าลดของเราในปัจจุบันก็ไปเสริมในชาติต่อไปในขณะเดวยกันปัจจุบันก็อยาให้เดือดร้อนเรียวกว่าอย่าให้กระทบกระทั่งภูเขาในปัจจุบัน เรกลายเป็นบุญญาณิชิเป็นสิ่งที่เราได้โดยกําเนิดพวกชนกกรรมทั้งหลายเนี่ยออการเกิดในสกุลมีรูปร่างต่างกันสกุลต่างกันพื้นฐานสติปัญญาต่างกันผิวพรร์ต่างกันออโรคภัยน้อยโรคภัยมากอะไรต่างกันเนี่ยมันเป็นบุญเป็นผลเขาเรียกว่าบุญญาณิชิเกิดขึ้นจากผลของขุมทรัพย์คือบุญที่แตกต่าง เพราะฉะนั้นคำว่าของเราก็ทรงสอนทั้งสองระดับระดับที่เป็นสมมติทุกขั้นตอนการแสวงหาการครอบครองการบริโภคใช้สอยให้อยู่ในกรอบของความสุจริตคืออย่าเพิ่มบาปในส่วนนี้และในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์ จะทรัพย์สมบัติในปัจจุบันให้ได้รับความสุขแล้วก็เป็นเสบียงตอนที่สุนทากันว่าเป็นเกาะเป็นเกาะเป็นเสบียงเสบียงคล้ายๆกัเดินทางเป็นเกาะคล้ายๆกัอยู่ในตกทะเลนะฮะอยู่ในทะเลแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่เกาะบุญเหล่านั้นก็เป็นที่พึ่งใน ภายภาคหน้าด้วยอย่างที่ภาสิติแพรหลายว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกกประการต่อไปนั้นคือมานานุสัยก็ที่จริงก็คือมานะความถือตัวซึ่งเกิดมาจากเป็นตัวนะฮะรู้สึกว่ามีตัวตรงนี้เวลาแสดงที่อื่นลำดับมันไม่เป็นอย่างนี้ ก็ะทรงทรงเริ่มที่ที่ที่ตันหาก่อนตันหามาณทิชชีคือจะเรียงอย่างนั้นแต่ตรงนี้ทรงเรียงที่ทิชชีและเรียงที่ตันหาแล้วก็เรียงที่มานะมาณ น, นั้นเป็นกิเลสที่ลึกแล้วคนดีละได้ขาดจริงๆมีเฉพาะภาระหรันคือความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปเชื่อมกับสิ่งอื่น เพื่อจะทำตัวเองให้สูงขึ้นใหญ่ขึ้นให้ลองสังเกตว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเราจะไปโหนพ่อแม่อ้างพ่ออ้างแม่อ้างอะไรที่ใหญ่ๆนะเพื่อทำให้เราใหญ่แล้วเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันเราด้วยจากนั้นก็อาจจะไปโหนเพื่อนไม่โหนครูบาอาจารย์นะโหนครูบาอาจารย์ ของครูอ้างครูอิงครูต ล, ลอด็น ล, ลักษณะของที่อิงเหล่านี้มันก็ก่อให้เกิดเช่นรูปร่างมันก็เป็นอะรเกิดมานะถือตัวได้นะฮะความรู้ะกุละกุละกุลนั้นะกุลใหญ่ะกุลเศรษฐีะกุลขุนะาานางะกุลเชื้อสายราชวงศ์อะไรต่ใดเนะี่ยฮะมันเกิดมานะเกิดมาณนะขึ้นมาได้ สฐานะที่เราได้ในสังคมตำแหน่งชั้นยศต่างๆแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละอย่างนั้นถ้าขาดปัญญารู้เท่าทันแล้วเป็นเหตุได้เกิดมานะด้วยกันทท้งนั้นแต่เกิดมานะก็อย่างที่บอกว่ามานะมันก็แนวอัตตาอย่างที่ว่าหมายความว่าถ้ามีปัญญารู้เท่าทัน แล้วก็มีจิตสานึกที่จะปฏิบัติตนให้เหมาะแก่สถานะที่ตนถูกกำหนดถูกสมมติให้เป็นมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะในแง่ศีลธรรมจริยามันจะเรื่องเสียหายอะไรเป็นเรื่องถูกต้องดีงามแต่ว่ามาหน้าที่มีปัญหานั้นก็คือการดูหมิ่นคนอื่นโดยเอาจุดเด่นของตัวเองคิดว่าตัวเองเด่นในจุดนั้นแล้วไปดูหมิ่นคนอื่น เห็นว่าคนที่ถือรูปร่างให้ให้ความต้องการเก่รูปร่างก็ดูหมิ่นคนอื่นในแง่ของรูปร่างคนที่มีตําแหน่งหน้าที่สูงก็คิดเอาตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองไปดูหมินคนอื่นที่คิดว่ามีตําแหน่งหน้าที่ต่ากว่าเป็นต้นทรัพย์สินเงินทองวิทยาความรู้ตลอดถึงปุพินยาตรีโทเอกอะไ ร, ต, ออะไรต่างต่างๆเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดมานาะ แล้วก็ไปดูถูกดูหมิ่นคนอื่นซึ่งไม่ลักษณะความกระด้างกรีดกใจมันฟูขึ้นนะใจมันแข็งกล้าวที่เรียกว่าถือดีนะฮะถือดีหรือถือตัวถือดีลักษณะอวดดีถือดีแต่ไม่ยอมรับน่าถือคนอื่นใจในขณะนั้นจะแข็งกล้าว แล้บางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ดูดูดำดูดีอะไรเลยไม่ดูวัยไม่ดูอายุไม่ดูอะไรใครซึ่งลักษณะเหล่านี้บางครั้งก็ยกตนเทียมท่านบางครั้งก็ตีเสมอท่านบางครั้งก็ดูหมิ่นท่าน ซึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือบางทีเราไม่รู้ว่าใครที่ควรแก่การดูหมิ่นหรือไม่ควรแก่การดูหมินทำให้ไปอยู่ที่ไหนมันจะมีความลำบากไปหมดรู้สึกว่าคับแคบจะต้องใช้ที่นั่งมากที่ไปมากที่เดินมากเพราะถือว่าเรามันใหญ่เราสำคัญอย่างนั้นอย่างี้ ถ้าทำไ ม, ไม่ได้ตามที่ตัวต้องการก็จะเกิดโทสะพอได้ตามที่ตัวต้องการมันเกิดโลภะต่อขอยับได้ต่อแล้วกินเหล็กกระแสของความอยากมันก็ไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอไม่จุนนั้นทรงสอนว่าเป็นเหตุที่ตัดรอนบรนทอนความดีงามทาั้งหลาย ในขณะเดียวกันพวกนี้มันเกิดขึ้นจากการไปเห็นข้างนอกอเรียดทรงใช้คำวราสัพพานิมิตข้างนอกหมายความว่าสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินได้สุดรวมได้ลิ้มได้จับต้องเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเป็นเราสูงขึ้นหรือคอยความปรารถนาเพื่อได้เพื่อ ม, มีเพื่อเป็นเพิ่มขึ้นหรือก่อให้เกิดมานะความถือตัวถือตนหรือเป็นตัวเป็นตนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่วถ้าเป็นอย่างนี้ในสุดใจมันก็ไหลเข้าไปสู่การกระทำบัดอย่างที่เคยเล่าตัวอย่างพระพระญาติของพุทธเจ้านะฮะที่บวชใหม่ๆหม่บวชไม่กี่วันนั่นนะแต่อาสยที่มาดตีหน่อยไปนั่งวางมาดอยู่กลางศาลาพระมาจากต่างวัดไม่รู้นึกว่าเป็นพระเถระโปร้อยก็กราบเฉยเลยไม่ไม่วางมาดเฉยทำไปทามาไม่รู้เรื่องเพิ่งบวชใหม่ สิสเหล่านั้นก็ตําหนินำเอา้าบเราพุทธเจ้าพระเจ้าตักเตือนท่านยั่วเราพุทธเจ้าอีกไม่ยอมขอกับมาไปกันใหญ่เลลามปามไปกันใหญ่นี่ก็เกิดขึ้นมาจากเกิดขึ้นมาจากมานะมันอักขระวะต่อพระเถระแล้วก้าวร้าวไปด่าว่าพระเถวะแล้วเป็ดื้อกับพระพุทธเจ้าแล้วตะลิดเปิดเปิงไปใหญ่โตพระรูปนี้กว่าจะแก้ไขได้นี่แก่นะ ว่าเช่นแก่อะไหรือพระติสะหรือพระชันนะอะไรที่เคยเล่าเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าพระชันนะมันก็มานะนะครมานะว่าเราเป็นข้าเก่าวเต่าเลี้ยงของพระพุทธเจ้าไม่มีใครเสมอเหมือนตอนพระพุทธเจ้าทรงพระยาวตัวเองก็ติดสอยห้อยตามมาตอนเสด็จออกพนวก็ออกบวดกับกับตนนะฮะไปกันสองคน แล้วมองก็อื่นเป็นเศษสวะที่ไม่มีความหมายหมดเลยแม้ได้ภาษารีบุตรพระโมกขลานะแล้ว เ, เป็นคนเก่าเล้ารุนแรงเข้ากับใครไม่ได้แล้วก็มีคนท่านกลัวอยู่คนเดียวคือพุทธเจ้าแต่นั้นโดยจะนึกว่าคนมีวาสนาบา ร, รมีไม่เบานะพระจันทร์านั้นนี้ไม่เบานะจริงๆเป็นสาชาติกับพุทธเจ้าเป็นคนมีบา ร, รมีไม่ใช่เด้นแต่ประติดอยู่นิดเดียวคือมานะ นิริยูเท่านั้นนะฮะมานาเท่านั้นเองพอพระพุทธเจ้านิพพานนะจึงแก้ไขได้มานามันหลุดเพราะไม่มีที่เกาะพุทจานิพพานแล้วมานามันก็หลุดที่ยึดเหนี่ยวไม่มีเมันก็เพ้งหมดพอดีอรเจ้าสั่งไม่ให้พระพูดด้วยแล้วก็ไปกันใหญ่ขอเวลาพระอานนท์สามวันนะฮะท่านมาเปลี่ยนเพี่ยนมรุมรุ่มดนเป็นพระหันได้ท่านอยู่มาตั้งสี่สิบกว่าปี ทำอะไรไม่ได้พระบทท่านจะไปท่านก็ไปอะไนั่นก็คือแสดงให้เห็นเรื่องความรุนแรงของพวกต่างการบำบังการแล้วก็มานานุสัยซึ่งมันมีความเกี่ยวโยงกันเราลดตัวใดตัวหนึ่งลงไปได้ตัวอื่นมันก็ลดเลยนะครับหมายความมาถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยใหญ่เท่าไรเนี่ยที่นั่งเราก็ไม่ต้องใหญ่ที่ไปเราก็ไม่ต้องใหญ่ที่อยู่เราก็ไม่ใหญ่อยู่ยังไงก็ได้ แต่ว่าถ้าอัตราเราใหญ่แล้วยังอื่นมันต้องใหญ่ตามไม่หมดเลยเครื่องใช้ไม้ซอยบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยถ่านนุนทางต้องใหญ่หมดเพราะอัตรามันใหญ่ตามทีนี้ถ้าอัตรามันเล็กลงเล็กลงอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไไดาวพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่มีอัตราเลยท่าอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่โคดไม้ก็ได้นะว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าไอยู่ตรำโคนไม้ได้ก็าท่านก็อยู่ได้มันไม่มีอัตรา ถ้ไม่รู้สึกว่าใหญ่โตอะไรที่จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องมีที่นั่งอย่างนั้นที่กินอย่างนี้อาหารอย่างนั้นที่อยู่อย่างนี้มันมั น, ม น, มนไม่จาเป็นอะไรเลยเรียกว่าสำเร็จประโยชน์ก็แล้วกันทาให้เป็นคนประพฤติเบาคืออยู่ได้อย่างเบาใจเบากายเบาไม่แบกไม่หนักะเพราะว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นที่จริงเราแบกเราปนปลือแก่ด้วยประการต่าง แกก็ไม่เอากับเราสักทีหนะึ่งนะฮะบอกยาป่วยก็ไม่ฟังอยาปวดเดี๋ยวเมื่อยก็ไม่อยู่นะปนเปนื้อนแกสารพัดเอาใจแกทุกอย่างแล้แกก็ไม่เคยเคยยอมเราไม่เคยเชื่ออะไรเราเลยวก็ทรงสอนในแนวตรงงานข้าวว่าถ้าลดพวกนี้ลงไปได้นะมันจะให้ความสุขความสงบความปร่งเป่าความยึกเจนแล้วก็ผลสุดยอดผลสรุปสุดยอดของความสุข ก็คือการสามารถสงบจากสิ่งเหล่านี้ลงไปได้หมายความว่าในนิพพานในสุขในความเป็นนิพพานซึ่งเป็นอุดมการษษณ์ในศาสนานั้นไม่มีทั้งอาังาการมะมังการและมานานุสัยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะว่าเกิดปัญญาเห็นชอบที่กระจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ จิต ใ, ใจกระทั่งก็เป็นอิสระหรือไม่ถูกครอบงำปกคลุมด้วยอำนาจของกิเลส ต, ตลอดไปวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ